เราด่าเขาเขาไม่ด่าตอบถึงอย่างนั้นเราก็เหดือดร้อนอยู่เออเราพูดไม่เหมาะสมแช้ก็ยังเ ล, ลึกได้อยู่นะเราโกรธเขาเขาไม่โกรธตอบแต่ไม่มีเรื่องขึ้นถึงอย่างนั้นเราก็ร้อนใจอยู่นั่นคือตัวบาปหนักหนักหจะปฏิเสธบาปไม่ได้ถ้าเราปฏิเสธอาบน้าไม่ได้เราก็ปฏิเสธบาปบุญคุณโทษไม่ได้เหมือนกัน ทำไมเราจึงอาบน้ำเพราะร่างกายมันสกรปรกทำไมเราจึงปฏิบัติสินทำเพราะจิตใจมันสกรปรกนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนไหนนั่นอยู่ที่ใจผู้พูดและผู้ฟัง <c oughs> ทำดีก็ต่ออายุของดีอยู่ที่ใจก็คือบุญต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบุญบ้านทำบุญวัดวัดก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอา ทำบาปอยู่ว่านทำบาปอยู่วัดวัดก็ไม่เอาใจเป็นผู้เอาใจปฏิเสธให้ใครเขาก็ไม่รับเพราะเขาไม่ได้เป็นหัวหน้าธรรมเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้ผู้องค์การทำเขาไม่ได้วางแผนทำใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็เป็นความผิดของใจเท่านั้นความผิดความถูกอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ดวงใจนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่รับใส่ชื่อชื่อนามธรรมันว่า ท่านจงเป็นตาเนอท่านจงเป็นหูเนอท่านจงเป็นจมูกเนอท่านจงมาเล่นเนอท่านจงเป็นกายเนอใจไปใส่ชื่อดือนามให้ครับครับครับปฏิเสธเขาก็ไม่ปฏิเสธเฉยเขาก็ไม่เฉยทีนี้ไม่มีใครใส่ชื่อดื้อนามให้ตนก็ใส่ชื่อดือนามตนว่าใจใจใจท้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์ทุ่ที่ใจไม่มีใครมารับประกันด้วยนั่นนั่นนนนัจิตเหมือนนายกายเหมือนบ่าวข้อจริง แต่ถ้าว่าเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่สมดุลกันลุกเถิดเวียงเถิดใจจะใส่จะบอกมันสักเพียงไหนมันก็ฝืนมันก็ไปไม่ได้เหมือนรถเมื่อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมไม่บริบูรณ์มันเวียงไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันขาดวิกลวิการอันใดอันหนึ่งนั่นก็ไปไม่ไหว ทีนี้ผู้ขับจะไปตีบางโคนเผล้เผล้ก็มึงไปมึงไปมันก็ไม่ไป <laughs> นั่นนันั่ น, น, นคนขับรถก็เปรียบเหมือนใจร่างกายเปรียบเหมือนรถร่างกายและ ว, วาจาเปรียบเหมือนรถถ้าท่าลมในรถไม่มีแล้วจะไปไปไปเียบแต่มันก็ไม่ไ ม, ไม่ดังนั่นนั่นนั <laughs> ่ถ้าไฟไม่มีมันก็ไม่ไป ถ้าดินอันใดอันหนึ่งมันชำรุดเช่นยางขาดอย่างนี้หรือพลาหักอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้นะพลาขาดอย่างนี้เจะของจะปฏิเพกเบลเบลมันก็ไม่ไปอนยะ่างว่ามันอยู่ใต้อานาจของพญายกิตตลาดหมดมันก็ไม่อยู่ราา่างกายสังขารเนี่ยเธออย่าไปเกลืนอนะเธออย่าไปเก็บเนื้อเธออย่าไปตายเนืเอ้อถ่ายออกมาให้เธอหอมเหมือนไฮแป็กเนื้อก็บอกว่ไม่ได้นะั่นเหตุนั้นพระไตรพิดก จึงย่นลงมาหาใจหมดไตรสิขาแปลว่าศีลศีลแปลทับศัพท์ว่าตัดศีลซะศีลตัวสอสลาตัวรลองใส่สรีเรียกว่าศีลจงทํากิจให้มั่นในทาที่ชอบเหมือนศิลาศิลาคือหินสมาธิตั้งมั่นลงที่ใจปัญญารอบรู้ในที่ใจตกลงศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่ใจเรียกว่าไตรสิขา คำสอนแต่ละวัรละบาทของพระสมณะพระพุทธเจ้าท่งต่อพระเนเพานหมดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทกแสงอยู่ในโลกนี้เสียงร้องไห้ร้องห่มอยู่ทุกข์ยอมยาเสียงสาบเสียงแช่งก็อยู่ทุกข์ยอมยาที่มีเสียงประปลนกันอยู่บ้างว่าสวัสดีคุณพ่อคุณลุงคุณหนูคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพระคุณครูบาอาจารย์คุณเจ้านาย ธรรมหกษัตริย์กัฐถธรรมรูคุณทหารคุณตำรวจคุณเจ้านายสวัสดีอย่างนั้นอย่างนี้จึงมีอยู่เอามาจากไหนก็เอามาจากอายุวนโนสุขังพลังของพระนั่นเองปิญญาตีปัญญาโทรปรัญญาเอกเราออกมาจากไหนเขาออกมาจากพระพุทธศาสนานนั่นเองพระพุทธศาสนามีอะไรว่างยาตะปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ ตีระนาปัญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณามหาณปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียรู้ละบาปบำเพ็ญบุญยกว่าปัญญาเหมือนกันยาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระนาปัญญากำหนดรูด้วยการพิจารณามหานาปิญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียชิงไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ละเสียยกว่าปริญญาเหมือนกันนี่จัดเป็นด้านปัญญาอาจารย์นั้นอาจารย์นี่ในทางฆราวาสอามาใช้กัน อาจารย์นะครับเอามาจากไหนเอามาจากอาจาริ์ยมีพันเตโหหิของพระพิสุสง์นั่นเองภาพธาตุของรัฐมนตรีเอาออกมาจากไหนเอาออกมาจากผ้าทั้งคาติของพระทิศภ า, าพธาตุภาพนาตุสารัดนี่เอามาจากไหนเอามาจากผ้ารัดอกของพระนั่นเห็นใชนั้นจึงว่าพระยานั้นพระยานี่อืมพระญาศรีสุริยราชวรานวัฒน์ สมุหะเทชาพยาบาลในสมัยรัชกาลที่หกรองอ ม, มานเอกรองพอนิสัยชอบศึกษาที่การมณฑลเมืองอุดรรองอํา ม, มาตรีพระเพิทักษนมนรครคําว่าพระก็เอาออกมาจากพระพุทธศาสนา น, นั่นเองนั่นสำเร็จพระบรมมหาราชาก็เอาออกมาจากศัพท์ของพระพุทธศาสนานั่นเองก้กฎหมายกฎหมูก้พรผักกพวกก็เอาออกมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองการโจด ต้องโจทย์ให้มีมูลรักแห่งมูลนั่นสามอย่างด้วยในเห็นเองด้วยในยินเองด้วยมีผู้บอกและเชื่อว่าตามเป็นจริงด้วยสงสัยและรังเกียจข้อวัดและเถอะเดี๋ยวว่าโจทย์มีมูลถ้าไม่อย่างนั้นแล้วโจทย์ไม่มีมูลก็ออกมาจากพระเมรันยนั่นเองนีพระเมรัยของพระนั่นเองพระเมรัยของพระบอกว่าโจทย์อาบัตกันบ่อยๆถ้าจําเลยประมาณ จองทำให้เป็นผู้ร่าเริงเสียก่อนเนอะเดี๋ยวจะให้การไม่ถูกถ้าํำเลยเป็นผู้โลดโถนเกินไปจงขู่ไว้นะ <c oughs> เพื่อจะให้การได้สะดวกในพระวินัยมีอยู่แล้วพระวินัยของพระมีอยู่ว่าอาธิกรมีสี่ความเสียงความเสียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมเป็นวินยัยสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัยเรียกวิวาธาธกร สความโจทย์กันด้วยอาบัตินั้นๆเรียกอนุวาตาธิคอนสามอาบัติทั้งปวงเรียกอาปตาทิคอนสิสิสิสี่กิจที่ทงจะต้องทำเรียกิจจาธิกรอนอธิคอนมีสี่อธิคอนที่เกิดขึ้นอธิคอนเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนด้วยโต้อเถียงกันมีเก้าคู่นี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นวิเลยนี่ไม่เป็นวิเลยนี่พระธรรคตรเจ้าทรงมันญัดไว้นี่พระธรรคตเจ้ามาในทรงมันญัดไว้นี่พระธรรมคตเจ้าทรงกระเพิดมานี่พระธรามโคตเจ้ามาในทรงกระเพิดมา นี่เป็นอาบัตเบานี่เป็นอาบัตหนักนี่เป็นอาบัตมีส่วนเหลือนี่เป็นอาบัตหาส่วนเหลือไม่ได้นี่เป็นอาบัตหยาบคายนี่เป็นอาบัตไม่หยาบคายคู่ใดคู่หนึ่งเกิดขึ้นเถียงกันต้องนะครับมิเช่นนั้นับอจิกรทั้งสี่นั้นในที่พ่อมหน้าสงฆ์ในที่พ่อหน้าบุคคลในที่พ่อหน้าวัตถุในที่พ่อมหน้าธรรมเรียกสมมติขวัญไรนี่นั้งงับแบบหนึง่งนั้งงับแบบหนึ่งอีกสองความที่สองสัพปะการให้สมมติแก่พระทหา์ วาเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครสวดท่านโดยอาบัตเรียกสติวินัยนี่นะครับแบบหนึ่งจาเลยเป็นผู้มีสติไพบูมิไม่เป็นฐานะของจําเลยที่จะทําการละเมิดดังที่โจทยกล่าวหาสวดกรรมวาจาจารว้แล้วให้สติวินัยยกฟ้องของโจทก์เสียในข้อวินัยนี่สามความที่สงชะประกาศให้สมมติแก่พิจูผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ใครสวดท่านโดยอาบัตที่เธอทำมาในราเป็นว่าเรียกอมูลในข้วินัยนีอีกระงับแบบหนึ่ง จำเลยเป็นว่าเสียสติในเวลาเธอเป็นว่าอย่าไปโจดอาบัตเธอเนอเธอหายเนี่เธอหายจากว่าแล้วเธอทําผิดอีกจึงไปตโจดในเวลาที่เธอทําผิดเลือกอามูลเขาไม่เยทีนี้วิธีนะครับอาจารย์ความปรับอามัตตามมากินงาของจําเลยผู้รับเป็นศักด์เรียกปฏิญญาทักระนี่นะครับแบบนี้แบบนี้ความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัดสปาพิเศษ ก, กากรรมนี่นะครับแบบนี้ความให้ปณีประนอก์กว่ทั้งสองฝ่าย เรียกตีนนะวัตถารกรรมยัยนายเรียกว่าไก่เกียรอันนี้ก็นะเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณเรียกเยสุยชิการะงับแบบเยสุยชิกาก็มีเอาตามคําของคนมากเป็นประมาณแต่ตามคําของคนมากเป็นประมาณในครั้นวัตถามาตุทตเจ้านั้นไม่เหมือนพวกเราทุกวันนี้เธอจะเรียนจบพระไตไปดกก็ตามความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงนั่นนั่ น, น, น, น, นแต่พวกเรามึงไม่ มาออกเสียงให้กูกูก็จะจ้างมึงนั่นนั่นัน่น น, น, น, นมันเพียกันไหมละ่ะกรับข้างพุทธการมันเพียมากนั่นนั่นมีเจ็ดอย่างที่ทีนี้งับอธิกรทีนี้ความให้ไปนี้ประนอมมาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรื่ตีนน้มันธารากราวินัยหมายความว่าจำเลยก็มีทางและเท่าเท่ากันโจก็มีทางและเท่าเท่ากันถ้าตัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะอธิกรจะกําำลิบกําเริ บ, รบอธิกรจะกําำลิบ เหตุนั้นจึงให้ไกลเกียรกันสักแต่ไกลเกียรกันในที่นี้หมายถึงอาบัตเล็กน้อยและหกอาบัตไม่ใช่มัธยมโทษไม่ใช่มหาวิทยาลัเรียกว่าอาบัตเล็กน้อยทางหนึ่งก็มีทางละห้ารอยหรือทางละสามหรือสองเท่ากันอย่างนี้ถ้าจะตัดสินในทางใดทางหนึ่งชนะอธิการก็ชัตวีขึ้นเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไกลเกียรกันสักแต่ อาบัตมหันตะโทษหรือโทษมหันตะโทษมัธยมโทษจะไกลเกียไม่ได้ผิดก็ต้องว่าผิดถูกก็ต้องว่าถูก น, นั่นนี่ไหมควำว่าอาบัตเล็กน้อยต่ํากว่านั้นลงมานั่นทางพระสัมภาพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วแต่ผู้ไม่รู้จักเอหนูอินีนี่ก็ดูถูกพระพุทธศาสนา่กฎหมายพระออกมาจากกฎหมายของโลกโลกเอากฎหมายของพระก็ะไปออกไปออกไปเรียง ถ้าตา้กฎหมายม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็เลื่อนเจอไปไม่รอดนั่นคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นแววนเป็นกระจกเงาเป็นบรรทัดเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเป็นดิ่งของชาวโลกแล้วเหตุนั้นจึงทรงพนาว่าสัทธาเทามนุษยสานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะเอา้อาอวัยามุกทุกประเภทพระพุทธศาสนาบอกว่าเป็นมนุษย์ด้วยบัติ ชาวโลกจะไปมันมันหยัดส่งเสริมว่าเป็นทางเจริญสักอย่างนั้นก็ตาก็เป็นทางชีบหายอยู่นั่นเองพระบรมสารีริกธาตุเข่งเลยพระพุทธเจ้าใครเห็นธนาคารอบายมุกอยู่ที่ไหนไม่มีมีแต่มันคานอยู่นะมันเชี่ยวหายวายปวงนั่นนั่่นน่นอบายยมุกเป็นเหตุช่างเชีบหาย ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่ น, ลนการพนันพบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดข้านทำงานในทางที่ชอบเป็นปากเป็นทางแห่งความชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งป่ากยิงว่ามุกขะมุกขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งป่ากหรือว่าเป็นปากทางแห่งชิบหายนักหนักพวกเราไปขายแผ่นดินแห้มากเอขายที่ดินเท่านัานาน้นล้านเท่านี้ล้านนานไปนานไปมันจะไปประเทศเป็นประเทศญี่ปุน่นเนอะจะว่าไม่บอกเนอเออ เป็นนาหน้าให้เขาเราไม่มีที่อยู่ละเจนี่ทําไมมันจึงมีนี่มีศีลมากพระอบายามุขแพร่หลายในโลกในโลกเต็มอยู่แต่อบายามุขถ้าโลกของเราพอลูกเดยียงสาแล้วมีศีลห้าบริบูรณ์หมดพอลูกเดยียงสาเก็บปีไปมีศีลห้าบริบูรณ์หมด สงครามก็ไม่มีตำรวจทหารก็ไม่มีโซ่ตรวนก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่มีสารแต่สวนสารตัดสินก็ไม่มีมีแต่กฎหมายภาษีอากรก็พอแล้วนี่ตั้งไว้เท่าใดมันก็ไม่อยู่เพราะไม่มียาอายตว่าไม่มีความกลัวต่อมามันก็อยู่ในกฎหมาย เช่นบาปอย่างนี้เขามีูอยู่ในตัวบอชะอาตัวปอมันไม่มอยู่ในหัวใจของมนุษย์นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นเช่นบุญอย่างนี้ตัวบอชะยอผู้หญิงอยู่ในหนังสือมันไม่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายนั่นเห็ุ น, น, น, น, น, esin? นั้นการปฏิบัติสินธรรมจึงมีท่ากาถ้าการปฏิบัติสินธรรมไม่มีมันก็เหลืองเจอคนเราอยู่ในโลกมันก็เท่ากับสุ น, นัขกันเองพอเห็นกันก็เรียบกับ เลยเอ็นเอ็นเอเอตัวไหนเที่ยวฟันยาวตัวไหนเที่ยวพันไม่ยาวก็มีแต่ตายก็ตายนั่นนั่นนั่ น, น, นมนุษย์เห็นกันก็ถ ก, ก, กับถกหมาเห็นกันแ่ะถ้าไม่มีคําสอนพระพุทธศาสนาแท้ ก, กแทรงอยู่ในโลกนั่นนันั่นนั่ น, น, นถูกไหมถูกไหมในที่พูดใหญ่นีไ่ได้แต่ดูถูกชาวโลกเพื่อเตือนให้ชาวโลกเข้าหาสู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาวโลกก็ให้คะแนกนกันว่า เออฝนมาตกตามฤดูกาลเพราะทําลายป่าไม้ลําทานและต้นไม้อันนั้นก็ถูกอยู่แต่ไม่ถูกแ ต, แต่ไม่ถูกมากต้นเหตุอยู่ที่คนห่างเหินจากเสียงธรรมะเขโลกห่างเหินจากเสียงธรร ม, มากฝนก็ตกไม่ถูกตามฤดูกาลคําสอนพระพุทธศาสนาะมันเหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้ววิทยาศาสตร์เขาบอกว่าลมไม่พัดว่าลมที่จะไม่พัด ก็เพราะเหตุที่คนห่างเหินจากศีลธรรมนั่นเองวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าลมไม่พัดเอาเ อ, เอกมาแล้วเพียงเพียงนั้ น, น, น <S <S ปานอ า, าทิบาตปิดอาวุธแล้วทางพระพุทธศาสนาอธินาทานก็ปิดอาวุธแล้วกาเมศุลวิาชาฌานก็ปิดอาวุธแล้วมุสาวาตก็ปิดอาวุธโกหกพกลมดื่มสุราไมรัยก็ปิดอาวุธแล้วแต่ไม่ดื่มมันก็เป็นบ้ายอยู่น่ ชูราเขาทํำไว้ทาไมเขาทําให้คนบ้ากินเพื่อสอบดูว่าใครจะเป็นบ้าผู้เป็นบ้าก็ต้องไปกินใช่ไหมแล้วก็เป็นบ้าอยู่เหมือนกันแต่ก่อนเราหยุดแล้ว <c oughs> <c oughs> เราหยุดแล้ว <c oughs> ใครกินก็เป็นบ้าเขามันกินมันช่วยอาหารมันมันช่วยว่าให้วุ่นวายในจินในใจเวลากินมันดื่มมันคนผีบ้าดื่มมันก็หยุดวุ่นวายแต่มันหายหายเมาแล้วมันก็เสียดายทรัพย์ แล้วมันก็เสียายเวลาเองด้วยบางเขาไกินจนถึงได้เขาหน้าเพลีอก็มีนั่นะมันก็เพิ่มหนักเพิ่มหนักความวุ่นวายขึ้นไม่ใช่มันจะทําให้ความวุ่นวายของเราเบาลงมันยิ่งหนักเข้ามาแต่เราก็เป็นบ้าอยู่เหมือนกันแต่ก่อนเรากินแต่ใวนี่ในส่วนนี้เราไม่เป็นบ้าเนี่ยถ้าเป็นบ้าก็เป็นบ้าส่วนอื่นเราหายไปแล้วเราพยายามวบกุเหมือนกันเราเกิดมาเราเสีย เงินบาทเดียวเท่านั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีในหัวใจเราเลยเราตัดสินได้ว่าพระพิฆเนศสามเณรใครไปส่งเสริญอบ า, ายวะมุกทุกประเภทสู้เขารักษาชิ้นห้าอยู่บ้านไม่ได้เราพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้กมรมภาวนาสกเพียงไหนกว่าตามเราเราตัดสินอย่างนี้จะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่พระธรรมจะอํานวยให้พระพธรรมเป็นผู้ตัดสินเอาเราอยู่ยงคงกระพันเราก็ไม่เชื่อมัน พระพมกคลาก็ตายด้วยพ้อนเขาเน่ะเราไม่เชื่อเลยอยู่ยงคงกระพันอย่าไม่เชื่อเราอันไหนไม่จะะถงปืนได้เออเราไม่เชื่อพระโมกคลาก็ตายย้อนด้วยข้อนเขาเน่ะถอนเดินอากาศได้เราไม่เชื่อเลยอยู่ยงคงกระพันเหตุนั้นทางพระเวนัยจึงทรงห้ามติฏฐานกถาพระเวนัยทรงห้ามวิชาห้องปลอดวิชาถือเลิกดียามดี วิชาวิชาอยู่ยงคงกรัพันเรียกอเนสนาใครปฏิบัติวิชาหงกอดวิชาทํานายทายทักเรียกจะออกตัวนั้นเลียจะออกตัวนี้ไม่มีในพระพุทธศาสนามีในพระเวเนยพระไตรปิฎกวิชาอยู่ยงคงกรัพันวิชาจะเอกรียามนี้วิชาวิชาเสนวิชาหงกอดหรือวิชาอัะไรๆอยู่ยงคงกรัพันไม่มีในทางพระพุทธศาสนาหรือ มีแต่เมตวิชาเมตตากรุณารักใคร่กันเหมือนลูกพ่อเดียวแม่เดียวกัน ม, มีในวิชาเนี่ยพุทธศาสนามีอยู่ความ่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกความเบียดเบียนเป็นทุกข์ในโลกพระบรมศาสน า, าเห็นเด็กตีงูไปเบนทบาทพวกเธอจะตีงูทําไมแตรงมันตัดพ่อเจ้าข้าเออบุคคลรักความสุขแล้วไยเบียดเบียนท่านผื่น ความสุขจะมีมาจากประตูใดล่ะลูกเอ๋ยลานเ อ, อ๋ยว่าหลวงพอ่อเนี่คือบอกเมียนเถว่าอถิ่มขอ น, นตัวคือพระองค์เจ้าไระเทศเอาาในสําเร็จพระโสดาบันนั่นพระองค์เจ้าผูมีพระโสดาบันเมืเ่อเสด็จอยากลงระเมิดชิ้นหาเมืเ่อเสด็จอยากเรียนอบายยมุกมเ่อเสด็จอยากถืออยูย่องคงอพันเมืเ่อเสด็จ อยากจะฆ่าขายเครื่องประหานฆ่าขายมนุษย์ฆ่าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยสัตว์เทศตัว่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าเขาเน่าเมาฆ่าขายยาพิษการฆ่าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของชาวโลกมาให้ประกอบสมบัติของชาวโลกข้าพการประกอบด้วยสักกาเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ถือมงคนตื่นข่าวคือเชื่อกำลังเชื่อมองคนไม่แสวงหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งในสมบัติท่าพการและเว้นจากวิบากท่าพการซึ่งตรงนั้นข้ามนะผู้มสีสวดอ่าน พลังค้นสำคัญว่าเจ้าของเป็นพระสวดาหบันแล้วไปเรียนเลขกูกินเหล้ากับพนันเหมือนบนพระสวดาหบันเฮาว่ามันพระสดวดั น, นสดนสดเดาสัสดขาดค่นี้เฮ้ว่ <g ül> าไงเนี่ยนบอกผ่าขึ้นกันสีบวดร้อยพรรษากระซังขยันชงเสริมงานโนมเล่นบัดเรีนเบอร์ย้อนเข้าว่าสู่เขารักษาเสนหายจังบาลไม่ ไ, ได้เขาว่า มันอยว่ันิงหรอตัวนั่นแต่ว่าร้อนๆนั่นซีแล้วทำไขาไม่ซีน่นอะะเนี่ยขาเจ้ามาบวชข้าเจ้าก็ไม่อยู่ผัวบ้านผู้ช่วกมีก็มีอยู่กับจิงอยู่อนพระกับ่าาดีมัดอกกบ่าวามันถึงมัดอกให้เนีของดีมันก็มี่วะเนี่ยฉันว่ามีของดีสืบโลกว่าอย่างสโลกก็ะได้ดีกับเกียวบานั่นนั่นจะไปว่าแต่ผู้ช่วมาลบล้างวัดเจ้านายคือกันผูดดีเพ่นก็ดีอยู่ผู้ช่วกมีผูดดีกับมี่ตำรวจ ไปคือสามเรื่ก็มีอยู่คบบ้านฆราวาสก็มีอยู่คบอนของที่นั่พระซ้ชุ่มดีก็มีจังหน้าผู้คนดีก็มีอยู่ขันว่ามีคนดีซื้อใ่าโลกที่ตั้งอยู่ไดบ่นี่มันก็มีคนดีซื้อบอยู่สิว่าอย่างไรจ้ะนั่งขันว่าหรว่าบมเห็นมันดีไปแล้วคราบแไปว่ามันก็มีมูยุคือกันนะชุ่มดีมันก็มียุ่มดีมันมีอยู่เนี่สิว่าอย่างไระคนสางว่าละมีมามันโมแม่สางท่อกันมัดผู้บานแ้วมันก็มี ดอกบัสีว่าไม่อยู่อะรับเดียวกันเมดมันก็บอะไรดอกตูมันก็มีดอกบานมันก็มีอยุ่ทุคสมัยดอกสังกะมกบมี่ยุยุสมัยมนุษย์เท่าสัตว์รกนี่กับเคือกันแ่นนั่นนเขาหซันว่าคือแผ่นดินแะขาสามันเสมอกเม็ดมันกบไรบรรทุับกัมีบรดินมีปุ๋ยกับมี่มีปุ๋ยก็มี่มนุษย์กัเคื่องกันนันว่ามีวันดีพิจะไปปูของในกินมดกับมี่ตะหินด่านเม็ดมึงูัตติเนี่ยนายเขาหอองซันว่าแล้วเขาจะเป็นยุคไฟอะไ แมงวันมันกลว่าประชาธิปไตยมันแม่นว่าแมงผู้แมงเพื่อมันกล่ว่าประชาธิปไตยมันกุ๊จีมันมวนขี่มันกล่ว่าประชาธิปไตยมันนกคงนกข้ามมันบินด้วยเส้งฝ่ามันกล่าวว่าประชาธิปไตยมันว่างเสารประชาธิปไตยของเข้าท่าม้าปรชธิปไตยของเข้าที่เอาได้เนี่ยในวันนี้เครับเราเอาไปย่ามทำดีขึ้นไปนานเพราะนดีของเข้าพ่อเด้กขั้นดีของมู่งเขาพ่อมันกับเป็นพระรามตอนแหนว่าอย่ามาเกิดใจเก็บตายการพยายามละชั่วทําดี เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมันก็ย่นลงมาเอาละอ่านมือเลยีกว่าพุทโธทรรมโธสังโฆพุทธธสงฆ์พุทธธสงฆ์ในผ่าพุทธธรรสงฆ์ในผ่าธรรสงฆ์ในพ่าพุทธธรสงฆ์ในผ่าพุทธธสงฆ์ในพ่าพุทธธสงฆ์ในผ่าพุทธธรรมสงฆ์ในผ่าพุทธธรรมสงฆ์ในผ่าพุทธธรรมสงฆ์ในผาพุทธสงในผ่า พุทธทั้งสงบงตุลพระโสดาบันพุทธทั้งสงบงถ่ายคือพระเพปาลคือพาาระรหันต์พระพุทธศาสนาคือเครื่องเครื่องดูของจิตใจคือพระพุทธศาสนาอาหารของจิตใจคือพระพุทธศาสนาเครื่องเข่ารอบของจิตของใจคือพระพุทธศาสนาสัญลณ์อื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสรณะของเรา ตาเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลอกได้ไม่เลิกได้พอดีเขามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระ涅槃แล้วเลอกได้ไม่เลิกได้พอดีขอข้ามาโทษด้วยกายวาจาใจต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเว่าพ้นทุกนิมิตตาสองสารโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดแล้วเลอกได้ไม่เลิกได้พอดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกรมสมบัตินิพานสมบัติมีเท่าใด อันหาประมาณไม่ได้ก็ะจะทูลถวายสกคนและกายวายจาใจเป็นมหาสมบัติอันนั้น<ม>บูชาต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่าไปมีประมาณเพื<ม>่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี่เถิดแล้วก็เมตธาลันอธิษฐานในสังฆมตธาลันสางถ้าบุญไปธาลันมาจากอบนเมนตตอนี่นนร้านแม่แจงดีเนปคุณผ่าเนี่ยเบญเอสานเป็นของรัก มีใจผ้ามพักไว้สู้ปะศัตรูทั้งหลายศัตรูในทางพระพุทธาศาสนาคือกิเลสนะมิท่านมีศีลมีภาวนาเท่านั้นจะบรรเทากิเลสหายเบาบา ง, งารงไรจักคนละกายมันชกพกก็มีสงนามอาบนามเท่านั้นจักหายบรรเทาลงไร ด, ด้านชีวิตใจกับมีท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดเท่านั้นจักบรรเทาเบาหายบรร มีพยรถยันหายเกินไปจนตลอดเทิงเหินแทงหายไปคำสอนไดๆในใจโลกทาตุนั้นเราท้อคำสอนพระองค์เจ้าเข้าแล้พระองค์เจ้าสอนให้ปศนอาวุธบัตอาวุธทางบอดีอาบายยมุกทุกประเภทมันเบียดเบียนมนุษย์สมบัติสอนให้ปศนอาวุธหามวิหล่นอาวุธหามวิหารบวกเบียดบัดเบอเป็นมนุษย์ที่บัตขันเว้นเป็นมนุษย์สมบัติ ก็เป็นมนุษย์นิบัติแก็เป็นสวรรค์ชมบัติก็เป็นพุทธชมบัติเป็นนิพพานสมบัติคือกันเอาเป็นนิพพานนิบัตรคือกันถ้าเป็นมนุษย์ชมบัติกับสวรรค์ชมบัติพุทธชมบัตินิพพานสมบัติถ้าเป็นมนุษย์นิบัตรกับตรงันขามพระพุทธเจ้าสอนให้เว้นให้ประสบการณ์พระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าเราประสบการณ์วันแล้วมันเป็นแนวสิ่งดีสิ่งเด่นเทปเหตุประสงค์พระพุทธเจ้าแนี่ยอะไรเหลือไปใสของมนุษย์พระพุทธเจ้าก็บอกเอามาสอนเนี่ยอะไรเส การละสัวทำดีเป็นของโมเหววิสัยการประพฤติัวใจากของเป็นของเหลววิสัยน่นุทเจ้าว่ามันนของคนที่เกิดกนการประพฤติดีใช้จากของเป็นของโมเนียของเหลววิสัยการสีรงรุยสีรงรวยลุนชานเพิ่มเป็นของเหลววิสัยเพิ่าการสีเว้นว่เป็นของเหลววิสัยเพิ่าการที่ทำควบเช้อายใสจากของเป็นทังเหลววิสัยการที่ทำควมเจริญให้จากของเป็นของโมเหลววิสัยเพิ่ามันเป็นเนาออกบานง่ายๆความดีคนดีทำง่าย ความดีคนชั่วทำในยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำในยากความดีคนชั่วทำในยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายรับการกคงไปของมาพระเจ้าถ่าย ย, าย่นลงมาครับข้ามศาลพระพุทธเจ้าจงทำจิตให้บันเทิงในอาการและชั่วทำดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดดลาย่นลงมาแล้ว ไปทั้งหลกับไปทั้งหลากับพระวนาพุทโธพุทโธไปในรถในเนรือมันจำเป็นอันตรายนามสีรับสีนอนกวายพระสามที่ตกอนโจขี่ลายพุทโธธโมสังโคตะกอนกันอนภวนาพุทโธรับท่ากันตอธโมสังโคขยุตกำกันแลวละไปมาทั้งหลากับพุทโธเนี่ขยายออกกับครบแปดมื่นที่พระธาตุอาคกันไงธโมสังโคขยกันกับครบแปดมืที่พธรตาคากันสังโคขยกกันครบแปดมื่นที่พธรตุาคกันขไายขยายออก ณโมโตัวเดียวขยายออกก็น้อบนอบ้นอมจนครบแปดมือเียพะระธรรมาขันก็ได้หน่นอมฉันขืนพระสดาวัจนจ้าขาทาข้ามีอานาคาไม่อาราหานเออทําคำสอนเจัาระบาดขยายออกครบไต้ซื้ขาหมดครบแปดมือเียพระธรตมาขันหเดย่มนองมาก็ับมหาใจขยายออกกับครบวัดก็ได้มันขืนอยูกผูมิปัญญาพุทธท่าสงฆ์ก็เปเสือกสามเกี่ยวอยู่ในหัวใจเขานี่าเอาไวน้นี่พุทธท้อซ้อย พุทธท่อแผลผู้และผู้ลูกระบาดบำเพ็ญบุญทรรมโอส่งไม่สึ้นผู้ระบาอําเพ็ญบุญสังฆโอ้ปฏิวัติเพื่อระบาอําเพ็ญบุญก็อันเดียวกันหนึ่งเป็นเสือกสามเกี่ยวยังไงหัวใจเขานี่ท่านศีลพระวนาเขาเป็นเสือกสามเกี่ยวยังไงหัวใจเขานี่คือการธรรมโส่งไม่สึ้นผู้ระบาดบำเพ็บุญสังฆโอปฏิวัติเพื่อระบาดําเพ็ญบุญก็อันเดียวกันหนึ่งเป็นเสือกสามเกี่ยวยังไงหัวใจเขาเนี่ยท่านศีลพระวนาเขเป็นเสือกสามเกี่ยวยังในหัวใจเขาเนี่ยค เตะซื้อขากับเป็นเสือกสามเกี่ยวยังหัวใจเอาเลยทำบุญก็ไปบวกบุญอยู่ที่ใจไปต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจทำบาปก็ไปต่ออาวุธของอายุของบาปอยู่ที่ใจไม่ได้ต่ออยู่ที่อื่นทำบุญแล้วไม่ต้องตอนเขาคอกมันโคลแล้วกระเบือมันเข้ามาขวากอกไก่ทำบุญแล้วกับมหาอกไก่ทำบาปแล้วกับมหาอกไก่ไม่ได้ต้อนเขาพอกง่าคืองอคือควาย เหตุฉะนั้นจึงว่าสงสัยในบาปในบุญกำไใรใครก่อเท่ามีอิสระอยู่เท่าเสีมีอิสระทําดีอยู่ว่าเท่าเสีมีอิจฉาทั้งตัวเท่าเป็นข้นใจถึงทั้งพยานยามทําดีว่าได้ใจถึงทั้งพยานยามทําตัวแม่งภูก็มีใจถึงทั้งกินโสเจริญด อ, อ, อกไมก้แม่งวันกับมีใจถึงทั้งกินโมดโคตรมันก็ของไฟของว่นค้นนับถือพระพุทธศาสนาเพือไม่น้อยเทวะท่านน้ไม่น่อยกับเป็นเรื่องของไฟของว่น แมงเพลิงไปยังไม่หน่อยแต่แมงวั่นไปยังไม่หลายแถว่าจาก็ควมเดีวกันนะพระพุทธศาสนาเป็นของสูงว่าเป็นฐานะบุคคลภูรรมิบาลมีตรตาต่อยสามาเหลืออหล่อมไสบุคคลภูเหลี่ยมสพุทธศาสนาเป็นคนสางบาลมิตแจกาะมาราชสารพระภพหลอเน้อบนมือของขี่ไลเนยจะประกาทชีวิตของเจ้าของเจ้าของเหลื่มไสว่า พ, พุทธศาสนาเนคนสางบาลมิตีแจกาะมาแล้วคามันแม่แรง ต่างๆแบบไม่แยงภูไม่แย่งเพิงพุ่นว่าไม่แม่งมมวัน่นวั่นสารด้วยเดชข้นพระพุทธศาสนาอันส่งพระคุนขาหาประมาณมันก็ไม่แล้วก็ส่งมียุทุ ก, การด้วยไม่ขึ้นหยกกระเพรื่อและไม่รู้เมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกส่วนหน้าที่ได้มาในที่นี่พอดีที่ไม่ได้มาก็ดียงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปในพุทธศาสนาจนถึงที่สุดทุกโอยชอบทุกส่วนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อถือยังสั่งสูงเลยเนี่ย ขอมหลวงอันน่นเนื้อในขันฐานสันดาห์นั่นมันตัดค้อหลวงอันนี้ออกแล้วมันกับแม่นพระหันท่านหลวงอันนั่งหูมอยู่อยู่ได้รอบเป็นของสวยงามหลวงอันนั่งยุ่งหูยู่ได้รอบเป็นของเทียงหลวงอันนั่งยุ่งหูรออยู่โดยรอบนี่ยู่ในบังคับของเฮายุ่ในบังคับของไก่มันมออยู่ดีบอกว่ให้แก่มันกะแก่บอกว่าให้เก็บบังกะเก็บบอกว่ให้ตายบังกะตายบอกว่าให้หิวมันก่หิวบอกว่าให้ห่อนมันก็ห่อนบกว่ให้นาบมันไก่นา บอกว่าให้เก็บกเก็บบอกว่าให้ปวดมันกับปวดมันโมยูนําพญายิ้ยยตลาดเด๊มีแต่พญายิตมตลาดงอมันใน่ร่างกายเนี่ยบ่าน่ะมันกัลงว่าสวยบระ ง, งามพระพุทธเจ้าว่านา่าบอสวยบ่ ง, งามมีเจ้าของสุขภพสมมเนา อ, อยู่ในร่างกายมูเฮ้าเนี่ยเพราะว่าเฮ้าเป็ือนมูเฮ้าเมันบอยอมมูเฮ้าเป็นลูกบอกยากสอนงากพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าขึออ้นคอมูเฮ้า มาสอนหมูเหาหมูเห่าผ่นบ้าฟังบอนะางามสมควรพอใส่ด้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าอ่เป็นของเปื้อนของเน่าไสัตวในสัตร่างกายเป็นของปะมันปะเทียงเป็นทุกข์หายใจเขาออกออกแวกวกระจ้าควนตายไว้อ้สัคนวาคนตายมีทุกร่ำหายใจเขาออกคนวายเลยหายใจจางไว้อ้สัตยังให้มันตายไว้ัตถึงข้าวมันว่าเลยความตายมาถึงแล้ว ไม่มีใครจะถ่าถอนได้โดยเวทมนตร์ด้วยซับอะไนหันใจไว้กับพรฟังเขาม่มาถึงหรออานนอานนท์พิ่เจ้าหน้าค้วนตายมาแล้วจักคืออะไรสันมื่อลอยเทือกันแล้วขขาหน่อยสันเอยมันยังประมาทโยอานนเอยพอมกับล้มหายใจเขาออกหนแท้งไม่อันนี้สองลายอะไรสันพระพุทธเจ้าผู้นั้นเสีบเพราะประมาทนะผู้พิจาหน้าค้วนตายยเมื่อค้วนตายมาถึงแล้วผู้นั้นจักมาหลงตายอะไรสัน จากนีสติตายแ ล, ล้วลกถึงท่านสิาหาหนภาวนาของเจ้าขอ ง, ของเลยเฮ็ดบุญแล้วกับประโยชน์ใจไม่ประยชนบันอื่นพอใจพระเหตุท้าบุญก็ทําสะลองใจทําบาปกับทําสะลองใจใจที่รูุดตัวเพราะุตัวกับเพาเป็นปัญหาได้รับเหตุผลตามส่วนคว้นคาของเหตุที่ทำหน่อยแล้วมากใครเป็นผู้สร้างบุญให้เกิดขึ้นก็คือใจใครเป็นผู้ได้รับผลของบุญก็คือใจ ตอนไหนที่ทําแล้วมันเดือดร้อนภายหลังตอนนั้นอย่าไปทําเน้อพระพุทธเจ้านั่นคือบาปตอนไหนทําแล้วมัเดือดร้อนในภายหลังตอนนั้นก็ทําเถิดพระพุทธเจ้าเครื่องทดสอบได้เนี่ยปุญญาเนี่ยพราโน่กัจฉมิงบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าและอย่างยิ่งคือพระนิพพานด้วยเจ้าในคําวาลีในคําภาทอิสานนะว่าคนในพิจารณาคคตรตายเป็นอารมณ์เมื่อันนี้ มีอญญายุสงมากมาหลายรุ่นมู่ห้องก็บพิ่จันนาปัญญามันขีดแสียงเพราะวะ่าเบลเฮงแต่ปัญญามากแม้ไม่อายุมันยืน่นจับคุณพระพุทธพระธรรพระสงค์กับมีเบื้อแต่แนวสิพิจานนาเสี่ยมาเป็นอารมณ์สมบัติของมนุษย์มีหลายแท้เนี่ยเมื่อในมีแต่คข้มซัวเสี่ยมาเป็นอารมณ์ของกิจตะข้มดีก็เอามาเป็นอารมณ์ของกิตกล่วาวดบื้อยั ก, าากพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีพระองค์และสงเกตรักูลแก่ผู้อื่น สองเมตตาแผ่เมต谛จิตคิดจะให้สัตว์ทั้งฟองเป็นสุขทั้วหน้าสามอสุภะพิจารณาร่างกายตนและผู้อื่นเห็นเป็นไม่นามสี่มรณะสติและลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนกัมมัฐานสี่อย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิสพระพุทธเจ้าสอนจาคานุสติและลึกถึงทานที่ตนได้บริจาคแล้วเทวตานุสติและลึกถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคุณบุคคลที่ทําเป็นเทวดาท่านผู้มีคุณ กายยะตปาการสติและลึกในกายให้เห็นว่ามงามน่าเกียดโสโครอานาปนสติและลึกถึงลมหายใจเข้าออกอุปสมานุสติและ ล, ลึก ถ, ถึงขุนของพระเนพานซึ่งเป็นที่ระงับสังขารกิเลสจะกองทุกข์มันเบื่อจะอารมณ์เนี่ยห่เหนึกต่อไปในกายหายพอดขุนอารมของวคิดคองใจเราไม่จะบาปอรุณผู้ถือรับที่อื่นอารมของวามคิดความใจกะเป็นโรค ก, กี่บาปเป็นเป็นโลกกี่บุญ มันเปนโรค ก, กุตละบุญบ่มันผลบุญท่ามบุญสงบุญกรรมโมเนนาวัสติโรโกสรโลกเป็นไปตามกรรมท่ามดีท่างชัวมันก็ไม่ห้าท่ามเอามีอิสระค้อนห้าวจะละข้อนอะไม่อิสระมีอิสระทั้งท่ามดีมีอิสระทั้งท่ามชัวชวนผลของมันน่มั่ประสองค์อะไรรับตามส่วนมันเข้ารับตาเขาแล้วมันอยากต้องการมืดมันก็ได้มืด ทำเินตาเ่าต้องการเชืนหูงมันกับเชนหูวงว้นไับาบอดหรือไทีมันมืดไม่เป็นของคลิปวัสพูได้อย่างไรบุญกระสางเอาพู้ได้อย่างไรบาปกระสางเอาผูได้อย่ากไรดีอยากไดดีกระสางเอาพูดไ ด, ด้อยากไรชั่วกรสางเอ า, อาก า, ามุนาวัตติโลกโสันโลกเป็นไปตามกรรมแนี่ยพวยังเพิงไห่อิสระทั้งจิตเจสอนออกมาเลน่มันมีอิสระทนนะั้งงวดขวดด้วยคำของพระ้องมันจำนำจำจองเองบันดาลเอง กำ บ, บันดาลน่ะผู้ถือศาสนาพือไม่หนอยแท้วัชชนคนผู้สนเข็มใดเสมอไม่หนอยแท้วัชนนอกเขะได้มาเป็นปคนตาฟางมีวางไหนขันมีแต่ของดีพวกมีของชัวกับพวกจังว่าของดีม้หนางมือกับสลางมานึงแครงกันมาสะพัาใดคพื่อใก็พว่องชัวกับของไฟห้องมันกระสือไปพวกนักป่ากระสือข้างดีไปพวกบ่แม่นนักป่าเขาก็ซระสือไปท้างของขจ่อไประจโลกวงสันแม้หนังมีมาสะพันใด ในสันจึงมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มาอยุคสมยุกสมัยพระพุทธเจ้ามากต่้าพระองค์มาลือขึ้นมาลือก็ได้เชร้ะเขางอวส่วนคนงัวกับฟ้าไปพระพุทธเจ้าองค์อื่นไปอีกจะพึ่งจะพึพระพุทธเจ้าก็มากว่าร้อยโกรธผลมาเนี่ยฉีมาอีกข้างนาเนี่ก็เคื่องแข่่วงไปแล้วเครื่องแข่งมากว่าร้อยโกรธเอาสงไข่เอาสงไข่ที่ผลสั่งเสียงทำดีแล้วก็ไปบวกดีอยู่ทีใจทำชั่วแล้วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจว่าไปบวกันอื่นไม่ไปล่อยบวกอืนฝ่าอากา ใจสียหตัวหลืวหลุตัวก็เ่เป็นปัญหาท่านี้ก็ทํานหฮจัยท่านก็ทําไฮจัยเข้าไปยังเข้าจังอาบน้ำมันสกปรกเขาสังคมไรเยอะที่ตัวกเขาะเป็นเขาไม่ได้อาบสมืณรสามเณรแล้วเนาะไม่สายตัวละเข้าไปยังจังปฏิบัติศีลธรรมท่านศีลพอนะพอาคิดใจมันสกปรกเพราะห้มันลางไปแด้น้มันเดือดรอดหลายวันสนอกส่วนผู้เป็นลางพ่อแหละก็พระละหันก็เพราเดือดรอดเขาช่วยพ่อในพานบุญพ่อพ่อลพ่เขาู่วยพพาน ในบุญเฮ้ามาท่านพ่อกขาจังไปเาะท่านไหนไม่ต้องสางหรอหลวงปู่เสาคนไม่ได้บอกหลายคืองโมเฮ้าเด้เนี่ไปทะลกร้านเลยท่านถ้ามันมาพนกับพ่อไ้มันเป็นนิสัยส่กับเอวักแล้วก็ไปจ่อยเนีหลวงวปู่เสาเขาจะบอกยากคือเฮ้าเนียถ้ามันมาพนกมันเป็นนิสัยไปถูกร้านเลยจอยหลวงปู่เสาสองสบมขวบท่านก็ไปหมดแล่ว ก็คือรถพ่วงหมอนรถพ่วงหมอมีวัตถุร้ายตัวหนึ่งมันจสักความนี้ความขืนความรงเอาบอกว่าเศร้าหามันเอาว่าไรอันโตนัวอก็ได้เอาเป็นพระมารว่าไรจะไปเทียบกับผููบาอาจารย์มันอกว่าไรหึ่งพ่อ่านเอาเม็ดท่านประกาศไปเที่ยวกับผููเขาใช่แนรนานหละจะไปเทียบกับผู้ว่าอาจารย์ทรงยัความยันหนีในธรรมศาสนะความยันหนีทั้งปวงความยันหนีในพระพุทธศาสนาศสนะความยันหนีทั้งปวงในเรื่องอื่นๆในศาสนาอื่นๆความยันหนีในะปฏิบัติเพื่อไปมา พระนพาณ์ชะควอมยันติทั้งปวงในโลกเกจ ต, ตนาพระเทวท่านสินพ่อหนาเพื่อไปพระนรพาณเป็นมหาเจตนาเป็นโลกุตตะเกจตนาผู้่อใดายาอย่างไดพระสวัสดิวันว่ญญาตยะเชิดายลวงละเมิดศีลหอย่าเชิดายถืออาวายยมุกย่าเสียดายลวงอวัยยมุกย่าเชิดายถือาศาสตาอื่นย่าเชิดายถือยุยงค่มขับพันธ์ยะเียดายถือเวทมนตร์ละค่าถาภายนอก งานั่งดำงนั่งแดงก็ดีมิซาเสน่ห์มิซาหงพอดมิาซาใสเสน่ห์ก็ดีักเสียดายพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นท่านศิษพ่อหน้าเป็นมหาเสน่ห์พอแห้งแลว้วบุญเป็นมหาเสน่ห์พ่อแห่งแลว้วมีท่านอาไมา่ศีลอาไมา่พภาวนาไมา่พุทธธรรมสงฆ์เป็นมหาเสน่ห์พ่อแห้งแลว้วเมื่อเสียดายอย่างร่วงรมดเสีนหาเมื่อเสียดายอย่างเรียนอบัยะมุกเมื่อเสียดายอยางถืออย่ยงคงกับพัน ไม่ใช่หลายจากจะกจ่องเวここ so. ้นผู look, ้หลายเครียดอยู่งของผู้จองเว้นก็เลยทาพิาธรรมศาสตร์กรให้มันแล้วไปซาผู้ขาเครียดยู่งของผู้ผูกเว้นหรอกขันมากคอไม่กันแล้วกันไปซามู้เฮ้งี้มากคอกันอีกเล้อะันเครียดเคียดยุ่งของู้ั้งกระผูกเว้นอย่ากว่าความเครียดนันความโลภนันความโกรธของพระโสดาบันว่าสามารถสิริมงคลล้หกได้ฉันตายไปแล้วไม่มนุษย์ก็สวรรค์มาสั่ว่ สวรรกับสวรรไม่อายุยืนขัมมนุษย์กับ ป, ป็นมนุษย์สั่นสูงไม่สมบัติพัฒนาการมากเกิดอีกอย่างนอยครับสาตร์นึ่งองย่างไรกับสามสาสตร์แต่เขาสู้พันธุพ น, พนโอ้ยย่างไรที่สุดเกีบติศาสตร์เขาสู้พนัพนพันแต่กระ บ, บอกก็ถือบางที่ก็สามารถได้พระหน้าสักขท่าข้ามี่าหน้าข้ามี่ในศาสตร์นั่นหรืออาหารในศาสตร์นั้นก็อาจเป็นได้อยู่ไ ม, ม, มจนวันตายได้นอนรกในแต่พระสัสดิ บ, บันเรื่ามเกาเนาะ เป่นพระอนรทังค์ออสิบหกอายุแปดสิบปืนปืนจังได้ทหารเนี่ยแต่พระโสดาบันจะปางได้ผมชาวบางท่านกันแรงขึ้นใส่พระอนาค่ามีอรรถก็ไม่พระโสดาบันมันมาจอดไว้นเพราะไค่ขาขายก็ไม่ขอบเขตเด้่ยไม่ใช่ได้จะค่าขายเครื่องอาหารไม่ใช่ได้จะค่าขายมนุษย์ไม่ใช่ได้จะค่าขายสักเป็นเรื่อสักที่ตัวขาเพราะเปลี่นอาหารไม่ใช่ได้ค่าขายน้าเมาไม่ใช่ได้ค่าขายยาพิษ การข้าขายห้าอย่างนี่พระส ว, วัสดิบาลไม่ใช่ได้อยากว่องละเมิดเลยสมบัติของพระส ว, วัสดิบาลมีอยู่ห้าประการประกอบด้วยศรัทธาคือเชื่อในพระพุทธธรรมพระสง์ไ ม, อมองงไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมงคลไม่แสวงหาเขตบุญนอกอพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในะพุทธศาสนาพระส ว, วัสดิบาลตั้งอยู่ในสมบัติท่าประการและเว้นจากปิบัติท่าประการซึ่งตรงกันข้ามสิ่งไหนที่ไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่นักใจอ คือเฮ้าวัชเไดอยากร้องไปลุยรวมทันเพิ่งอ่ะมันนักไกบอมันกล่าว่านักไกนำรายเฮ้าที่ด้วนทิมใช้กระโถนเฮ้าวัชเชไดอยากเอาขึ้นมาอมอีกมันนักไก่บอมันกล่าว่านักไก่เปรี้ยงจังวัชเชไดอยากเอาขึ้นมาเห็นวมันมุมีประโยชน์มีแต่ท่างว่าเจริญไม่ใช่ท่างบ่เป็นประโยชน์ด้วยนี่เรียกว่าเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าดวงตาเห็นท่ำเปรี้ยงจังวัชเชไดอยากเป็นรีก เห็นอาวันเป็นทา่าขิบหายดิ้งลงไปแล้วนี่เรียกว่าดวงตาเหน็นร่ำเรียกว่าบาะสมบูสงสัยเรียกว่าตัดความๆๆๆวิจิตรฉาเล่าเดี๋ยวก็วารูปค่ำเรียกว่าสีาระพัตปารมาศเดี๋ยวก็ว่าถือตนถือตัววัต่อสู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าขิบหายแล้วก็ได้่ถือตนถือตัวก็ได้เสื่อโลดพิจนาจะเห็นปิดเป็นจริงงั้นสั้นไอ้นี่เรียกว่าสักายทิฏฐิความเห็นไม่เป็นเหตุถือตนถือตัวต่อพระพุทธธรรมประสงค์ น, นั่นตอนนี้ อ า, านน อ, อ, อายยาอบยมุยมนนายามมขสุภ เ, เพศเป็นมนุษย์สมบัติเด้พี่น้องเอ๋ยดื่มน้าเมาเที่ยวกันคืนใช้ดูกันเล่นเล่นการพนันพบคนชั่วเป็นมิเกีทิพย์ขันทํางานในคางที่ชอบอาบายยมุข่ามุขะมุขะแปลว่าชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากหรือเป็นปากแห่งความชิบหายเเป็นหน้าเป็นปากแห่งความชิบหายมนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าสอนเต็มพูมคือพักอาบายยมุกออกซะก็เป็นมนุษย์สมบัติ วนสวรรค์สมบัติพมสมบัตินิพพานสมัดก็เปิดประตูไปเองงรับอะบายขันมันสมบัติถูกอ่ะขันมนุษย์ด้บตรเน่สวรรค์พมนิพพานกรเปิดประตูไปหนตัวมาขันเนาะถือาสื่อถึความฝันความฝันนี่ว่าเป็นตาเพิ่งเสียสันร่างเสียหนั่นฝันอะไรแม่ส้างว่าค่อยเต็มแรงตื่นขือนมือเศ้าสี่แหงกรบโมงี่โอ้สัตว์เนเีนไห้เสียหายเรีนหน้าเสียหน้าเนี่ย เรนมั ว, สวเวสยวี ย, เาายมัวเรนควายเสียควายอภัยยมุขพระพุทธเจ้ามันเป็นหนุนเอกท่ายาวบัตรบัตรยังไม่เพียบําคําสอนของพุทธเจ้าเห็นทั้งสัตวพระพุทธเจ้าจึงเข้ารับธรรมถ้าทําไม่มีอยู่ก่อนเราตถาคตก็ไม่สามารถรู้ทําได้ทําไม่อยู่ก่อนแล้วเราจึงรู้ทำจึงมาจําแนกจําแนกทำประมาณ น, นั้นเหตุฉะนั้นเราจึงเขา้ารับธรรมแบบแกะจมไม่สงสัยเลยทาคําสอนของพุทธศา ส, สนาไม่ลีดจางไปไหน เกลือยังมาจมันถูกน้าําำเรามันยังจืดเองจืดเป็นอันนี้บัมีจืดนีเปิดบางน้ำไหนกับแม่ไม่คําสอนพระพุทธเจ้าทั้งเป็นของเ ก, าา ก, ก่าออก็ได้เพราะพระพุทธเจ้าองค์ไดนก็มาสอนอันเดียวกันหมดมัมีพ่แยกพอเราบอกกันทําเป็นโร ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาดความกลัวต่อบาดเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มียัางอายต่อบาดไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วอะไรอะไรมันก็ตั้งไม่อยู่มันก็ล่วงไปละเมิดด้วยเช่นหายอีก เอาเศร้าโรกเข้าขันมีชิ้นหนาบริบูลมั่งโลกทหารกับพระตองไ ม, งม่เอะตำรวจกับพระตองไม่เอะขายของก็บพต้งองเฝ้าอ๋อนั่นโซตัวนกับพระไม่แม่เนี่ยเงื่อนหายล้านหนึ่งก็ดีหรือมือหนึ่งก็ดีนั่งไปหาตบทหา่ารยางสูงกับไปโยบายกํานังเพราะมีชิ้นหนาขันอายุเกียปีแล้วมีชิ้นหนามัดดูในโรหลวงกางค้าขายพระพุทธเจ้าก็ห้ามค้าขายเครื่องประหารค้าขายมานุษย์ ค้าขายสเปนรน่าสเทตัวค้าไปเป็นอาหารค้าขายน้ำค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี่ไม่ส่งเสริมแนโลกเลยนะเชี่ยงปืนก็บบได้่นี่แหละตายน้าตกหัวเห่าเขาน้าท้องถนนกับบมีนอกจากรถเหยียบบางข่างบางข้าวสนัเลี้งไผ่ทางไหนกับมี่เสงิมบลเลยเสี่ยงหลอมหล่องไหกับบมีเสี่ยงสาบเสียงแยงกับบมี่นั่นส้าโลกเสมอเี่ว่าเอาข้ามา้อนพระเจ้า ฝนตกตัตามระดูการชาวโรกก็บอกว่าทำลายต้นไม้ลำธารพระพุทธเจ้าองนบอกท่านคนห่างเหินจากศีลธรรมกันฝนก็ไม่ตกตามระดูการพระพุทธเจ้าบอกท่าเนี่พระพุทธเจ้าองค์นั้นเข้ามาอกท่านวิทยาศาสตร์พระเจ้าผู้ใดเขมา่าบอ่านมัดมันของไฟของมันหรืเปลวิทยาศาสตร์มันบัญญัติอันไหนมันกับพระเจ้าเข้าแล้วพระพเจ้าเข้ามันคนมัมีกิเลสเนีย ว่าบาปก็เป็นบาปอีนี้ว่าบุญก็เป็นบุญอันนี้ว่าดีก็ดีอันนี้ว่าสวยก็สวยอันนีเพราะพระองค์เจ้าประสบการณ์มาแล้วที่ท่งนได้เอามาสอนมูเฮ้าซัทาเทลนุสานังท่นผู้สอนของเทวดามนุษษนนน ส, นสน ท, นษษทั้งหลายโลกกัมิทเป็นผู้รู้แจ้งโลกคำสอนใดใ น, ในใตจโลกธาตุไม่เหนือคำสอนนพุทธศาสนาไปเลยพระเจ้าเป็นเมืองขึงของคำสอนในพุทธศาสนาเมื่อขึ้นเข้มทิศเป็นเมืองขึงของทิศเหนือเมื่อนำหัยน้องของเมืองบางเป็นเมืองขึงของมหาสมุทรเรศอั น, นียคาไท เหตุงั่นจึงยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือแบบงงๆได้กรรมแลวผลของกรรมสาสนั้ใดกระสางยแต่อำนาจกรรมแลวผลของกรรมเท่านั้นเจ้าสะบัญัติบาบนคนโทษถือมาถือกระสางเจ้าทำผิดมันก็ต้องเป็นผิดโหลดเจ้าสิบัญยัติว่าขาสัดไปสวรรค์ไปใกร้างเจ้าขาสัไปแห้งบาปเท่านั้นงงสั่นอนนั่นเป็นไปตามเนี่ของพระพุทธเจ้าเฮ้ยม่มีกลดเน่พวกมึงนั้นมีกดเ พระสุภัทระบวชต่อแก่การทูลพระองค์เจ้าเมื่อพระองค์เจ้าขาสู้คนจะพากันพ้นขบวชมือนั้นหรอกพ้นข้ามเร็จมาพ้นจะพานมือนั่นเดี๋ยวก็ประชิมมะสาวกเพ้นการทูลพระองค์เจ้าศาสนะอื่นๆนอกจากศาสนาพุทธจะมีพระสวดาปฏิัมรสวดาปฏิผลสักทาไชยมัสสกทาไชยผลอาาไชยมัสอาณาไยผลอาณาธระมตมัสอาณาธรรตผลบ้างเรื่องใม่พระเจ้าข้างเอออย่าเลยออย่าเลยครับ เขามาได้วเขาขางตัวออกเลยเข้ามาอาเขาขางถ้ำเลในทังงที่ประช์ด้วยนะโตของเขาผู้เขาเป็นเจ้าศาสนาะเขาก็เป็นพุทธทุนคนนะเราดีๆนี่เองเนี่ยว่าสั่งอันนี้เราแต่ถาคตดว่ามีกิเลสเด้เพราะพระพุทธเจ้าองค์ใดๆกับว่ามีกิเลสได้เนะพราะพเจ้าเขาขังผักขางพวกของยไยในบรรยติ่ว่าจริงตามเป็นจริงว่าั่พระพุทธเจ้าเปนเราเพื่กายืนยันศาสนาอื่นยืนยันก็ยืนยันเมื่อทิฏฐิมานะกิเลสที่ิงพระพุทธเจ้ายืนยันตามเป็นจริงว่านมะีกิเลสได้นะ เห็นแต่น si ั้นใช่ไหมชีหน si ่าทางน่าทันเตเตปลงชี้ขนาดในพุทธบริษัทไม่ขั้งท้ามเลยว่ามริษารสุริสารทาพระมิจะกังประวัติเจนติในพุทธบริษัทให้เป็นไปในโลกโรกเยอปฏิวัติอย่างให้โรกเป็นไปอุเบกตาพุะจะทําังไพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เกิดขึ้นแล้วที่ลงไปแล้วก็มีพิจามาในข้างหน้าคนนี้ผู้เลื่อมใช้ว่าพุทธศาสนามันค้นขีโงหคนสั่งบาลเมตตากลรามาแล้ว สีรับเสนอนกาบหวยช่กันพุทโธทําโมทั้งข้นี่ผ้าร่างยามีเวนี่้าอันใดยามเสียรับเสนอนนี้จะผ้ากันประมาทผ้ากันปิดขั้นอ้าวเพื่อนไฝเฮ้าในเฮอนในซ่านเขาสีลงหนีกันขึ้กันปั๊บอัดปั๊บตุ้ยตุ้ยปั๊บรขั้นอ้าวมาปิดกับมัดถือต้องปิดนันสรับสียนอนอยืองขึ้นียกว่าไฝ่ทางนอกไฟ่ทางในเข้ากับปิดอีกขกันค่ารับค่าผอหน้าพุทโธไปรับ พุทโธพุทโธพราะว่าเรหายใจเข้าก็รับค่ากันไหวเสีบนั่งภระวนากรนั่งสีบันั่งเมื่อไรก็สีนอนภระวนารลดก็ได้หรือสีเดินก็ได้พระวนาพุทโธธรรมโมสังโคกอยู่ลำกันเห็นไหะพุทโธบุกผ้าละบาบันเพ็ญบุญพุทโธผ้าทางข้อมีธัรมโมสังไวยึงขางควอมีสังโคปฏิบัติควอมีรบงพุทโธธรมโมสังโคกอยู่หัวใจเท่าเลยไม่ได้อยู่บนอื่นแน่ไม่ต้องแข็งข้อกันเลยแข็งใจรวด หลปู่ก็ออกแขนข้อด้วล้เข้อเข้ามาให้เป่าหัวให้โอ้ยกลวปู่เขึ้นจากหัวเนี่ยจะเป่าตเหี่ยงเาเป่าอะไเป่าออกเป่าเป็นพระรหัตเบียงหอสนเวาเป่าหัวกับงทั้งใจนะครั้ใจถึงว่าพระธรรมประสงค์อันเขาผูกแขนกับเื้อกับผูกใจน่ะผูกใจทังว่าพระธรรมประสง์นี่มาผูกแขนทั้งนองกัเป็นพระคราธิฐานเลยเสีอกนำมอนกับเือกันเนือนีพกิน่าชมจะมามาตะกินรอลรถยดรถใจทั้งว่าพระธรรมพระสงค์น่ล่ะ หามีทานไม่สินในพราหน้าหายมิ่งข้อหมายยังท่านว่าเจิรถกับเครื่องกันจเจิมจิตเจิมใจให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รถมันสิ่มันหุ่จักรขี่ดังได้ยังไงย่งไปจับรถหลอดตั้งเี่ไปจับมันเขี่มันขมัน่นจักรขี่ดังนี้อยงกับผู้ขับกันนะเจอผู้ขับต่าัขับรถก็ได้ข้าว่าไปเจริมรถจักเที่นให้เข้าไปเขาก็เครียดพวกขับรถเนี่ยขับแต่มันหนีจะไปแซงเขาออกมาขับรถอยาให้มันปลอดภัยคระแล้วอวดท่าทางปลอดภัยขับรถ ขันอวดทั the eyelids, the ้งพ <talk ing apan 9> ึงผายนขันอวดหเพ่งอวดอ่ะข้าไปแทรกกับคนขีเรามันม่ยอมมันเท่าขื่นก้อนเลยเท่าเบึงร้อยมันก็ร้อยเท่ากันเทาเบึงยี่สิบร้อยสมสิบมันก็สามสิบเท่ากันมันลืมที่ฮันนี่จุดก็จะมึงกันบักนั่งก็มึงใช่บักนี้บักนี้ก็มึงใช่บักนี้นี่สิฮันนี่เรมที่ที่ฮันนี่มันมันคนทั้งโตสองคนขนาดนี้พอเอ้ยไปจักหานาที่สิบนาทีกับันนึ่งกับผ่านมาว่าแต่กับผ่านมาทั้งกับเพ่งอ่ะนั่นม มันไปขึงไปแข่งมันอ่าลองซ้องรอซองลอซองไปจักเ0บหน้าที่มันรอดเมากลยทา่ nah ทานั้นมื่อเบือมากเลยเท่งนี้ก็มาเข่งเลยว่ะเมื่อจำเป็นอนี่าไปแฉรงมันจำเป็นอนนี้มันควนตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจตรวจที่นีแล้วมั네 delays. นซัางเขามันขามันขวงรลยก็เท่ากับเสียบทศ่าาซาแล้วเขาไม่ไปไกลเขากจะไปแต่ว่าเขาก็มีปัญหาลบกเา่ะแฉงมันกิอย่างดีเขาจะไปแฉรงอ่ขั้นเขามากหลายๆเขามือเือมาก แต่มีขีดเขาเข้ากับหาเบรกบอกว่าท่านเอ้เขาันมั่วไปแซงกันเรียนย่หันบ่มันมันท่าเข้าสองคนเท่านั้นมันทางเข้าสองคนเท่านั้นพอไปแข่งกันเรียนลวบ่ยี่จักรไพเวอสีม้าเข้าถึบ่จักบ่สังหารหน้าที่ชิหน้าที่แต่แซงกันไปมงนเพงหมดแล้วมันลบท่านแตแซงกันไป็ห้อนปานีปานพุ่นาบอกเ้แล้วมันก็เพงนมดยมัแค่มันท่งโค้งลวบ่จออีท่านท่าฟดไัยรถคันนี้่เครือคันคันคับไปทามอเมอมันก็เพี้ยงเคร่องก รถขั้นเนี่ครับไปเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่นบางรูปทั้งรักทั้งเพื่นเพื่ในกาลครับไปเรีนเด็กเียนผาบางรูรถขันนี่ก็ได้ตุ่มหูหอยอยู่นี่ก็ย่างเลอกองแขนกองขาพ่อพ่อแม่ปันไห้ย่างเอาไปเรียบวุ้ดวุ้ดยิ่ขันยนี่สูสูรูไปหารูไปหาผาจั๊กมันคิวได้สูตัวเดนทั้งนั่นแหละเพราะเพราะว่าเด่นทั้งจิมหายให่านี้แล้ว พาดำๆมาสัยยา่นกูย อ, อ, อย่างนี้เขาเพิ่งเมาสั่นโอ้คิวแต่แบกว่าอย่าินี้เขาเมาเขามาเกิดวุ่นหูว่ะไปกระเม็ดอ่อดซ่อนสาไปยืมเงินท่อก่อซอก่แ ส, สมากยืมเงินทนา่าคาดว่าถึงเวลาส่งงวดก็ไปส่งให้เขาเอาไปปลอมใช่เหมกับเวิร์บบอดรอดแฟนบอกเขาวข่าเขาว่เป็นแน่เข้าจะซื้ออยู่เข้า ให้มาเหงากับบกขืนเหรมื่อเนึ่งกอดกบสาวเมื อ, มแบบอนิงเงฝ่ายอโมอ่ะเนี่ยบบบบอกออกนาใช่ไามเพราะ่ายากบัญญัตหลายอยงผู้ใดบอกเลขบอกผ้าบอกวัดบอกเบอร์ออเพาะจากว่าแห้งๆก็นสาู้เขาวรกษาเสน่าหน้าบพอยู่บ่านบได้เพาะ่นะว่าจังแม่โนแมาา่ไม่จักแลมาตามมาสาพี่บาตัวสมานสาพักคีให้ดีอยู่จะสู้สึกศัตรูคือกเกเรทั้งหลายได้ ควรคิดจำนงจงใจเป็นชาวไทยถือพุทธทั่วดินฟ้าเราหญิงชายชาติไทยใจองอาจต้องรักชาติและบ้านเกิดประเสรษษษิฐศีลรักศัตดิ์สยามินถิ่นที่อยู่พระมงกุฎเก้าเจ้าชีวีของชาวไทยแม่ศัตรูคิดลายทำลายชาติภาษาทั้งโลก